Book 2สิบสองเครื่องดื่มนาโปเยผมดื่มชาครับเปียมช่ายผมดื่มกาแฟครับเปี่ยมกาฟู ผมดื่มน้ำแรกครับ PM ม, มินเนอรัลนูโวดูคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ PS ช, ชัยสิตรอนมคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ PS กา v u สซุกรอมคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ ดมีงานเลี้ยงที่นี่ยเนกาาคนกำลังดื่มแชมเปญูดิ i ิวแชมเปนคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ลูดิอิวว i n o อ คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับเบียชแอลกอคุณดื่มวิสกี้ไหมครับเบียชวิสกคุณดื่มโค้กใส่เหล้าล้ำไหมครับเบียชโค้กสุรุ ม, มผมไม่ชอบแชมเปญ น, นี่มามราดัรดรัดา ชผมไม่ชอบไวน์เนมามรรดวนผมไม่ชอบเบียเนมารัรดพิวเด็กอ่อนชอบดื่มนมบาเบตกมารดมเียก เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลเยี่ยที่มาราดดอกกาคาโออายาผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุตเจน a มาราดัพอมารันชอวูอาเกรปฟรุตอวูชท